เรื่องหลวงปู่ในความทรงจำโดยชวีวันพิพัฒโกษาข้าพเจ้าได้กราบรับใช้หลวงปู่มาตั้งแต่ปีพศ2507ข้าพเจ้าเป็นคนกรุงเทพแต่เมื่อแต่งงานแล้วได้ติดตามสามีมาอยู่ที่จังหวัดอุดรครอบครัวของเราเรียกหลวงปู่มานานกว่า48ปีแล้ว สมัยพศ2507ทางเข้าวัดลำบากมากเพราะถนนเข้าวัดต้องผ่านท้องทุ่งท้องนาบางจุดต้องใช้เรือหลวงปู่ก็พยายามใช้ปัจจัยที่ทางวัดพอมีไปซื้อดินลุกรังมากรองไว้สองข้างทางเข้าวัดแล้วให้พระลูกวัดมาเกลี่ยทำถนนกันเองพอเป็นหนทางเข้าวัดได้เมื่อถนนหนทางสะดวกขึ้นก็มีลูกศิษย์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากกิตติศัพท์ความเป็นพระที่มีเมตตาและสั่งสอนคติธรรมต่างๆมากมายสามีของข้าพเจ้าชื่อนายชาวลิตนามสกุลพิพัฒน์โกษาเป็นคนติดสุรามาตั้งแต่หนุ่มเป็นเวลาร่วมสิบกว่าปีแล้วขณะขับรถยังใช้หลอดดูดเบียร์และเหล้าบางครั้งขับรถไปเที่ยวตอนกลางคืนเมาถึงขนาดขับรถต่อไม่ได้ต้องจอดรถนอนข้างทางจนตำรวจมาถามและพากลับบ้านเป็นประจำ เมื่อมากราบในมัสการและรับใช้หลวงปู่ท่านเป่าศีรษะให้และบอกว่าเรื่องเหล้าถ้าดื่มเพื่อสังคมก็อนุญาตตั้งแต่นั้นมาถ้าดื่มเหล้าจะปวดศีรษะจนทนไม่ได้ต้องเลิกดื่มและไม่แต่ต้องอีกเลยจนเหมือนกลายเป็นคนละคนสามีข้าพเจ้านับถือหลวงปู่เสมือนบิดาของเขามาตลอดเพราะท่านมีความเมตตาต่อครอบครัวเรามากสามีและลูกทุกคนเคารพท่านอย่างสูงสุด เมื่อบุตรชายคนโตนายวิระพิพัฒน์โคษาอายุครบบวชเนนท่านก็เมตตาจัดการบวชให้เป็นเวลาหนึ่งเดือนอยู่ที่วัดของท่านท่านเมตตาอบรมสั่งสอนให้เมื่อเขาจบมหาวิทยาลัยก็บวชเป็นพระและมาจำพรรษาที่วัดท่านเป็นเวลาหนึ่งพรรษาหลวงปู่ก็อบรมสั่งสอนให้เมื่อลูกชายคนเล็กบวชและมาจาพรรษาอยู่รับใช้หลวงปู่ท่านก็เมตตาอบรมสั่งสอนเช่นกัน เมื่อคราวที่มีเรื่องจี้สถานทูตอิสราเอลซึ่งเรียกกันว่า Black September นั้นขณะนั้นทางรัฐบาลกำลังจัดงานเลี้ยงฉลองอะไรสักอย่างจำไม่ค่อยได้แล้วทัางคุณหมออวยเกศสิงห์ได้โทรศัพท์ไปหาคุณชวลิตที่ร้านที่อุดรให้ช่วยไปกราบเรียนพระอาจารย์สายกรรมฐานคุณชวลิตก็ไปกราบน้ำมาสการเรียนหลวงปู่ไปเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ท่านทราบและขอให้ท่านแผ่เมตตา ดลจิตดลใจให้เขายอมตามข้อเสนอที่เราเสนอเข้าไปพอเล่าเรื่องให้ท่านหลวงปู่ฟังแล้วหลวงปู่ก็นั่งพิจารณาเสร็จแล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรจากนั้นคุณชวลิตก็ไปกราบนมัสการท่านหลวงปู่ฟ้านอีกองหนึ่งทางกรุงเทพส่งคนเอกชาติชายชุนหวันไปเจรจายืนขอเสนออะไรเข้าไปทางผู้ก่อการร้ายก็ยอมทุกอย่างต่อมาผู้ก่อการร้ายกลับไปให้สัมภาษณ์ว่าทำไมถึงยอมได้ก็ไม่ทราบ ทั้งที่คิดว่าถ้ายอมทำตามเช่นนี้เวลากลับไปเขาจะต้องโดนจัดการอะไรสักอย่างและเขาก็โดนจริงๆซึ่งถ้านี่อยากรู้เรื่องก็กรุณาสืบค้นคว้าดูเพราะข้าพเจ้าก็จำไม่ค่อยได้นานมากแล้วคนขับรถของคุณชวลิตชื่อนายบุญปงใหม่เป็นคนขับรถรับใช้หลวงปู่เวลาเดินทางไกล หลวงปู่ขึ้นรถแล้วจะสั่งคนขับให้ขับรถด้วยความเร็วเท่านั้นเท่านี้เพราะหลวงปู่สั่งไว้ก็อยากจะลองว่าเป็นอย่างไรผลสุดท้ายนายบุญต้องยอมปฏิบัติตามคำสั่งหลวงปู่ทั้งที่หลวงปู่ก็หลับอยู่คุณนายอรวรันจำนามสกุลไม่ได้ไปกราบนมัสการหลวงปู่และอยู่ปฏิบัติธรรมที่วัดป่าบ้านตาจังหวัดอุดรธานีเมื่อเสร็จการปฏิบัติธรรมก็ไปกราบลาหลวงปู่ ท่านมีเมตตามาส่งที่ท่ารถพอรถจะออกจึงกราบลาท่านอีกโหนหนึ่งท่านบอกว่ายังไม่ให้เดินทางรถเที่ยวนี้คุณนายอรวรันก็กราบเรียนท่านว่าจองตั๋วเที่ยวนี้ไว้แล้วแต่หลวงปู่ก็ยังห้ามอีกว่าอย่าเพิ่งไปรถเที่ยวนี้คุณนายอรวรันนึกน้อยใจยอยู่ว่าทำไมไม่ให้ไปเพราะรถกาลังจะออกอยู่แล้วสุดท้ายเลยไม่ได้กลับเที่ยวที่จองไว้เมื่อรถเที่ยวหลังมา ท่านก็อนุญาตให้ไปได้คุณนายอรวรรณจึงกราบลาท่านนั่งรถเที่ยวหลังไปพอถึงขอนแก่นหรือโคราชก็ไม่แน่ใจขับพรเจ้าจําไม่ได้เพราะเป็นเวลากว่าสิปีมาแล้วคุณนายอรวรรณก็เห็นรถเที่ยวแรกที่หลวงปู่ห้ามไว้ไม่ให้ไปประสบอุบัติเหตุมีคนตายหลายคนคุณนายอรวรรณขนลุกนึกถึงที่หลวงปู่ห้ามไว้ทันทีและรู้สึกสำนึกในความเมตตาของหลวงปู่ หลงชื่อชวีวันพิพัฒน์โกษา